เรื่องทัพหนึ่งเรื่องสมัยนั้นพวกภิกษุสัตตะรสาวกีช่วยกันพระภิกษุร่วมหนึ่งในกลุ่มพวกภิกษุชาวพะกีจนถึงแก่มรณภาพด้วยตั้งใจว่าจกลงโทษพวกเธอเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปการาบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอไม่ต้องอบัติปาราชิก แต่ต้องเอาบัตรปาจิตตีวงเล็บเรื่อง